6. อนุวิชากัตสะอนุโยคะว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกร3 9 6อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงถามโจทย์ว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้นั้นท่านงดเพราะเรื่องอะไรท่านงดด้วยศีลวิบัติท่านงดด้วยอาจารวิบัติ หรือท่านงดด้วยทิฏฐิวิบัติถ้าโจ ท, Father, ท์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้างดด้วยศีลวิบัติงดด้วยอาจารวิบัติหรืองดด้วยทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรนั้นพึงซักถามโจท์อย่างนี้ว่าท่านรู้ศีลวิบัตริรู้อาจารวิบัตริรู้ทิฏฐิวิบัติหรือถ้าโจ์นั้นตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสข้าพเจ้ารู้สีเลวิบัต ร, รู้อาจาระวิบัตรูร้ทิฏฐิวิบัตภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าอาวุโสก็สีเลวิบัตเป็นฉะไหนอาจาระวิบัตเป็นฉะไหนทิฏฐิวิบัตเป็นฉะไหนถ้าโจทย์นั้นตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสาม นี้จัดเป็นสีลวิบัติทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธนี้จัดเป็นอาจาระวิบัติมิจฉาทิฏฐิอันตคาหิกะทิฏฐินี้จัดเป็นทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจทย์อย่างนี้ว่าอาวุโส ข้อที่ท่านงดปวรณาแก่ภิกษ um <reverse> ah ุรูปนี้นั้นท่านงดด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้างดด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจดอย่างนี้ว่าอาวุโส ข้อที่ท่านงดปรวรณาแก่ภิกษุรูปนี้ท่านงดด้วยเรื่องที่ได้เห็นนั้นท่านเห็นอะไรท่านเห็นอย่างไรเห็นเมื่อไรเห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังคาทิเศษทุลจัยปาจิตตีปาฏิเทสนิยะทุกกฎทุกพาสิทิ์หรืออันหนึ่ง ท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทาอะไรอยู่ภิกษุรูปนี้ทำอะไรอยู่ถ้าโจท์ตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้ามิได้งดปรารณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นแต่ข้าพเจ้างดปรารณาด้วยเรื่องที่ได้ยินผู้นิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจท์อย่างนี้ว่าอาวุโส ข้อที่ท่านงดป ร, รณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินนั้นท่านได้ยินอะไรได้ยินอย่างไรได้ยินเมื่อไรได้ยินที่ไหนท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังคาทิเศษทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิต หรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุาณาีศิกขามนาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาตยเดยรถีสาวกของเดรถีหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้าไม่ได้งดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยิน แต่ข้าบัเจ้างดประวารณาด้วยเรื่องที่นึกสงสัยต่างหากผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดประวารณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่นึกสงสัยนั้นท่านนึกสงสัยอะไรนึกสงสัยอย่างไรนึกสงสัยเมื่อไรนึกสงสัยที่ไหนท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังคาทิเศษทุลจใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธหรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีสิกขานาสัมเนนสัมเนรีอุบาศกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอามาตเดียรถีสาวกของเดรถี แล้วนึกสงสัยหรือเปรียบเทียบอธิกรณ์7เรื่องที่ได้เห็นสมด้วยเรื่องที่ได้เห็นเรื่องที่ได้เห็นเทียบกับเรื่องที่ได้เห็นแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยเรื่องที่ได้เห็นบุคคลนั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัตตามปฏิญญาพึงทำประวารณากับบุคคลนั้น เรื่องที่ได้ยินสมด้วยเรื่องที่ได้ยินเรื่องที่ได้ยินเทียบกับเรื่องที่ได้ยินแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ยินบุคคลนั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัตตามปฏิญญาพึงทำาปาวรณากับบุคคลนั้นเรื่องที่ได้ทราบสมด้วยเรื่องที่ได้ทราบเรื่องที่ได้ทราบเทียบกับเรื่องที่ได้ทราบ แต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ทราบบุคคล น, นั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัติตามปฏิญญาพึงทมปรวรณากับบุคคล น, นั้น